เอาหนาสงบกันไหมนี่เอาหนาสงบไหมมันก็ต้องดึงต้องรั้งกันนั่นแหละอดดึงทนดึงต้องอดต้องทน อดดึงทนดึงต้องอดต้องทนทั้งอดทั้งทนทั้งเพียรทั้งพยายามอุตสาห์ทั้งใช้สติทั้งใช้ปัญญาทั้งไม่ยอมถอยทั้งไม่ยอมแพ้น้องยอมถอยกับมันค่อยกระสิบสิ่งที่ค่อยกระซิบเคยหันไปไปมองมันไหมสี่ที่มันค่อยกระซิบอยู่ข้างในเนี่ยได้หันไปมองมันไหม ใครได้สังเกตบ้างที่มันคอยกระซิบอยู่ข้างหลังนั้นคอยกระซิบอยู่ข้างไรข้างในใจนั่นนั่นคือเจ้าคือจอมของมันแล้วนั่นถ้าใครคอยสังเกตไอ้ตัวนั้นเขาคอยมากระซิบด้วยก็จะพอเห็นมันเห็นเงินเห็นเงาเมันแต่ส่วนมากมันก็จะได้ย้อนไปแหละพอมันกระซิบก็เอาเลยพอแล้วพอแล้วพลิกซะเปลี่ยนซะ มันไม่อยู่ดอกร้อนก็นร้อนอ้าวก็อ้าวคิดถึงโ้นคิดถึง น, น, งนี้คิดถึงอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะยื้อแย่งออกไปแหละแล้วแต่อุบายแล้วแต่วิธีของมันจะมายื้อแย่งไปสู้มันไม่ได้สักหนกับพลีกก็เปลี่ยนก็ถอยถอยคือไม่สู้แหละพยายามจะไม่ยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หละ ในระหว่างที่เราทํางานมันมีจิตกับอารมณ์เอาสติเอาสัมปชัญญะเนี่ยบังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธสติอยู่ในนั้นสัมปชัญญะอยู่ในนั้นความอดความทนอยู่ในนั้นความอุตสาหพยายามอยู่ในนั้นอยู่ในไหนอยู่ในพุทโธพุทโธพุทโธมันโเรอยู่กับพุทโธนั่นแหละ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเวลามันอิ่มไปเนี่ยเราไม่ว่ามันก็อยู่เวลามันอยู่ก็ให้สังเกตเวลามันไม่อยู่มันไปก็ให้สังเกตจิตมันจิตมันอยู่จิตมันตื่นจิตมันโลคจิตมันสว่างมันสงบมันไม่วิ่งตามรูปไม่นึกเรืรูปไม่นึกเรื่องรูป ไม่นึกถึงเสียงไม่นึกถึงเรื่องราวสารพัด ท, ที่มันเคยพันหัวใจอยู่มันไม่นึกถึงมันอยู่แต่กัาคำว่าพุโทโธรวมลองอยู่ในนั้นหมดรวมองอยู่ในคาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธทำอย่างต่อเนื่องแม้มขาดช่วงยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตเอาสติเอาสัมพัสัญญา ทิริโอตัปสติโสรั จ, จัตสติสัมปัญญะขันความอดความทนวิริยะอุตสาหะสติปัญญาพระคับประคองอมลุ่มอมลุ่มไปด้วยกันน่แหละอยู่ด้วยกันหมดประคองให้ไ ป, ไปไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธหมดโลกกระทาเนี่ยวรวมมาอยู่ในนั้นทั้งหมดเอาขนาดนั้นนะ ฮาร all, อุอยู่ในนั้นแสดงว่ามันอยู่เต็มร้อยมันอยู่เต็มร้อย ม, return, มันอยู่เต็มร้อยสมมติว่าร้อยเปอร์็น่ยมันอยู่เต็มร้อยอะไรอยู่เต็มร้อยผู้รู้ของเราน่มันอยู่เต็มร้อยจิตของเรามันอยู่เต็มร้อยเพราะมันถูกเรามัดเอาพุทโธนี่มามัดเอาพุทโธเป็นหลักว่างั้นเถอะเอาสติเอาสัมปชัญญะนี่เป็นเชือกมัดมัดจิต อ ม, มัดจิตข้างหนึ่งมัดจิตข้างหนึ่งมัดกับหลักอเอาสติข้างหนึ่งเนี่ยมัดจิตอเอาสติข้างหนึ่งมัด ต, มติ ด, ดตกับหลักหลักก็คืออารมณ์นั่นแหละเป็นคําสมมุติให้เราเข้าใจง่ายพวกเราบรรณนอกเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเราเคยมัดจะวัวมัดแต่ควาย จิตของเราก็เหมือนควายเหมือนวัวอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธก็เหมือนหลักเหมือนตอเหมือนต้ น, ตนไม้สติสัมปชัญญะก็เหมือนกเชือกปลายข้างหนึ่งมัดติดวัวปลายข้างหนึ่งมัดติดหลักหรือติดต้นไม้หรือติดอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักให้มันอยู่ในนั้นแหละสติเป็นตัวเชื่อมสติ สัมปชัญญ ะ, ะกับอารมณ์คือพุโทโธพุโทโธพุทโธกับจิตคือผู้รู้เนี่ยจิตมันสัจธวรมรู้นะใครลองหัดสังเกตหัดย้อนเข้าไปดูจิตมันสัจธวรมรู้แต่มันรู้นนนรู้นี้รู้พื้นฐานว่ามันแท้แทนะ้มันรู้แต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปตามอารมณ์จิตมันวิ่งรับอารมณ์เขาเรียกว่าจิตมันขึ้นสู่วิถีวิถีจิต วิธีจิตก็คือทางเดินของจิตรู้จักทางเดินของจิตไหมจิตมีทางเดินของมันจิตมีช่องออกมีทางออกมีประตูออกเขาเรียกว่าทวารทวารจักขุูทวาร น, นะมันออกไปทางตาไปเห็นรูปทดสอบดูแล้วก็ทดสอบดูดิออกไปทางหูไปกระทบเสียงไปได้ยินเสียงออกไปทางจมกูกทางลิ้นทางกาย แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเวลามันล่วงไปแล้วเนี่ยมันไปฝังอยู่ที่จิตท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมา ร, รมณ์มันไปฝังอยู่ที่จิตมันออกมาในลักษณะของสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ตัวนี้แหละมันเป็นเหตุให้ตัณหานี่มันเอามาเป็นเครื่องมือหยิบสัญญาเก่าๆนมาป้อนเรากร็สิบก็สักให้เราคิดถึงสัญญานั้น คิดถึงนนั้นคิดถึงอัน น, น, น, นี้คิดถึงเรื่องราวคิดถึงอะไรที่เคยสะดกสบายคิดถึงสารพัดเวลามันเวลาระจํมาม่ให้มันทานํางานนี้มันคิดถึงสารพัดมันดีดมันดิ้นมันไม่เหมือนเราอยู่ปกติธรรมดาดูเหมือนมันไม่ช่ไม่ค่อยจะมีพิษมีสองอะไรเราอยู่ธรรมดาทำาหากินทําไร่ทํานาทาสวนทำาหากินทํานู้นทํานี้ทํางานทําการอะไรอย่างอื่นโดยไม่ค่อยได้ยุ่งะ ยุ่งอะไรกับมันเนี่ยเราแทบไม่รู้เรื่องมันเลยแทบไม่รู้เรื่องมันทําไปตามไอจินกรรมที่มันมีมันเป็นแต่เวลาเราจับมาทํางานปั๊บเนี่ยมันจะดิ่นมันจะเริ่มดิ่นถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับสัตว์เหมือนกับควายเหมือนกับวัวนั่นแหละที่เราปล่อยให้เขากินตามลําพังเแทบไม่มีอะไรแทบไม่มีพิษมีสอ่งอะไรเพราะจับมามัดปั๊บ หรือจับมาเอาเข้าแอเข้าถ่ายพับเริ่มแหละเริ่มมีกิริยาเริ่มมีปฏิกิริยา เ, ยเริ่มดื้อเริ่มดึงอ่าเพราะมันดื้อเลยมันถึงดึงดื้อทั้งดึงพ็เริ่มดื้อก็เริ่มดึงจิตมันเริ่มดึงพอเราดึงจับมาทํางานจับมาทํางานจับให้มันมาอยู่กับงานพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ให้มันไปหากินที่ไอ้ที่มันชอบใจ มันมักจะชอบเที่ยวไปหากินในที่มันชอบชอบชอะไปเที่ยวไปหากินออกไปหากินรูปอ่าออกไปหากินรูปเรานั่งหลับตานี่แหละตาเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าด้วยเหตุที่รูปมันตกไปแล้วเป็นรู ป, ปารมณ์รูปที่มันตกเข้าไปที่เราผ่านการเห็นไปแล้วนี่มันตกพลึกไปที่ข้างในเขาเรียกว่ารู ป, ปารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูป เป็นรู ป, ปรสัญญาเอารู ป, ปรสัญญาตัวนี้แหละมันเป็นมาเป็นรูปอารมณ์มันเป็นมันเป็นอารมณ์ภายในใจเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์ตัวนี้แหละค่อยมากระสิบกระซาบค่อยมาหลอกหลอนดึงจิตของเราไปใช้งานนอกนอกเหนือจากที่เราบังคับให้เขาอยู่ให้เขาทาเราต้องพยายามสังเกตสังเาตจิตของเราไปจะเข้าใจเรื่องหลังนี้เมื่อเราเริ่มเข้าใจเราจะเริ่ม เริ่มรู้จักงานเริ่มรู้จักหลักของงานรู้จักข้อปฏิบัติรู้จักวิธีฝึกหัดดัดแปลงตัวเองที่ที่มันเคยพะยศเคยพะยศหนังหนักเข้าพอเราจับให้เขามาอยู่ให้อาหารที่ถูกปากถูกใจอาหารที่ถูกใจก็คือพุทโธพุทโธเพราะพุทโธนั้เป็นธรรมะเป็นอาหารที่ถูกใจเป็นอาหารที่ถูกใจอาหารที่ถูกใจโดยธรรม เป็นอาหารที่ถูกใจโดยชอบโดยทำอาหารคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสสัมผัสทางทางกายเราปล่อยให้จิตมันวิ่งไปทั้งวันมันก็ไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอเราไอ้ที่มันวิ่งตามไปนั้นมันเป็นกิริยาการของกิเลสเป็นพลังของกิเลสมันพาอิ่งไปเป็นตัณหาตัณหามันมีพลังมันพาวิ่งไป วิ่งไปหาเยื้อของมันคือรูปคือเสียงคือเปลี่ยนคือรถคือสัมผัสมันคือเยื่อของมันเหมือนกับไฟ ล, ลามหาเชือ้อยิ่งไปเจอมันก็ยิ่งไปเจอก็ยิ่งไม่ยิ่งเจอก็ยิ่งไหม่ยิงเจอก็ยิ่งไม่เพราะฉะนั้นท่านว่าต้องการให้ดับยิ่งเอาเชื้อไปใส่ไฟที่ไหนไมันจะดับเพราะสิ่งเล่านั้นเป็นเชื้อไฟ ยิ่งเราเสริมรูปเสริมเสียงเสริมกลิ่นเสริมรสเสริมสัมผัสตามอํานาจของความอยากยิ่งเสริมก็ยิ่งอยากยิ่งเสริมก็ยิ่งอยากยิ่งเสริมก็ยิ่งอยากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของกิเลกกิเลสคือตัณหาตัณหาก็คือกิเลสสิ่เหล่านั้นเป็นอาหารของกิเลสไม่มีอิ่มไม่มีพอแต่ถ้าเป็นเอาอาหารของธรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้มันนึกเหมือนกันใช้เหมือนกันใช้ให้มันนึกเรื่องเดียว นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไม่ให้มันขาดช่วงให้มันต่อเนื่องกลายเป็นพุโทโธคำเดียวนี่ไม่เกี่ยวกับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรอย่างอื่นนี่หมายความว่าเราให้ทำทำให้จิตอยู่นะแต่ถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสปพฏะธรรมอารมณ์เหล่านั้น เ, นเป็นอารมณ์ของปัญญา เกิดประโยชน์กันแต่ตอนที่เราทําจะให้สงบเนี่ยสิ่งเรานั้นกลายเป็นโทษกลายเป็นศัตรูกลายเป็นนิวรตัวมากิดมากั้นจิตไม่สงบแต่ถ้าจิตดวงนั้นเนี่ยมีพื้นเพมีบาตรมีฐานของความสงบอยู่แล้วอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสเหล่านั้นแหละพิจารณาให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่ากลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา กลายเป็นอารมณ์ของปัญญาการพิจารณาโดยปัญญานั้นถ้าจิตเราไม่สงบมันก็เห็นได้ยากดูได้ยากมันไม่พ้นสัญญามาสวมรอยแล้วก็มาฆา่ามาเดาแล้วก็มาหมายฆ่ า, ดาดเดาแล้วก็หมายด้วยเหตุที่เราไม่มีจิตเน่นนามันของ้วยสมาธิทั้ทงๆ ท, ที่เรากําลังคาดกําลังเดากำลังหมายนั่นแหละมันก็ดึงไปใช้งานอย่างอื่นได้เนื่องจากมันมีช่องมีช่องว่างมีช่องโบ่ จิตมันมีความโบ่อยู่มันไม่แน่นหนามันโค้งพอบางทีมันก็อยู่แค่8ป70มันไม่อยู่เต็มร้อยมันถูกอย่างอื่นดึงไป20ซหรือ30ซถ้าไฟของเราเรามันเคยสว่างเต็มร้อยแรงเทียนเนี่ยนะมันก็สว่างลงมาแค่70เนจดแรงเทียนความสว่างความชัด มันก็เลยมัวลงมัวลงมัวลงมัวลงจิตของเราก็มัวลงถูกนิวรณนครอบงาจิมก็มัว ung, มัวแล้วก็มืดชะ่อยก็มืดมืดมัวที่เราขมืดมัวมัวแล้วก็มืดมืดแล้วก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นก็คือนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้ทันทันไม่รู <mat <mat <mat <mat ้เท่าไม่รู้ทันลักษณะแบบนี้ภายในใจของเราท่านเรียกว่าโมหะโมหะ คือความหลงหลงไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ที่เหนือที่ใต้ไม่รู้ที่ไม่รู้แดนแหละไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดำไม่รู้แดงไม่รู้เกิดขึ้นไม่เห็นเหตุปัจจัยแหงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เห็นเหตุไม่เห็นไม่เห็นปัจจัยไม่เห็นกิริยาการของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็น ปัญญาการที่ฉันว่าเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษพยายามให้เราดูให้ให้เห็นโทษร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายบังคับปัญชาไม่ได้กะเกณฑ์ไม่เป็นไปนตามใจหวังไม่ได้โอกาสที่จะสอดแทรกจิตด้วยสติด้วยปัญญาเข้ามาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจมันสอดแทรกเข้ามาไม่ได้สติปัญญาไม่แน่นหนามั่นคงสติสมาธิปัญญาไม่แน่นหนามั่นคงปัญญาก็ปัญญาทุ่ม ปัญญาไม่คมเหมือนมีดทุ่ๆนั่นแหละไปฟันอะไรจะขาดนะมันฟันไม่ขาดฟันไม่ขาดมันไม่คมมันขาดความคมมันฟันไม่ขาดมันไม่ชัดพอมันไม่มีกำลังพอวิธีฝนให้คมวิธีฝนให้คมกรุบายจาณท่านจริงว่าให้เข้าสู่ความสงบ เพราะจิตมีพื้นฐานมีบาดฐานของความสงบมากเท่าไร่เหมือนกับจิตดวงนั้นเนี่ยเริ่มมีคมเหมือนกับมีดที่เราเอาไปฝนฝนฝ น, ฝ น, ฝ น, ฝนแล้วก็มีคมความคมของมันเนี่ยเราจะว่ากำลังก็ใช่เราจะว่า เราจะว่ากำลังก็ใช่เราจะว่าความคมก็ใช่เราจะว่าความสงบก็ใช่เราจะว่าปัญญาก็ใช่เวลาทา ง, งานไปแล้วมันประสับประสานกันเวลาทํา ง, งานไปแล้วมันประสับประสานกันคุณอาจารย์ท่านจริงว่าสินหนุนสมาธิทาให้จิตใจไม่วอกแวกไม่ครอนแคลนไม่ต้องห่วงกังวลถึงเหตุการณ์ที่เราขาดสินขาดสินหนุนสมาธิ สมาธิหนุนปัญญามันหนุนมันหนุนยังไงสิ้นหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญามันหนุนยังไงเราเทียบอย่างนี้ก็ได้เหมือนอย่างเราต้องการต้มข้าวต้มแกงเนี่ยเราต้องการต้มต้มข้าวต้มต้มแกงให้สุกเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องปรุงเอาซุปเอาหงงข้าวหงข้าวเราต้องการให้ข้าวดิบนั่นแหละเป็นข้าวสุก นะเราจะต้องมีหม้อใช่ไมเราจะต้องมีหม้อหม้อจะรองน้ำน้ำสำหรับเอาข้าวไปแช่หม้อรองน้ำน้ำสาหรับแช่ข้าวแช่พอดีพอดีหรือแช่เพื่อที่จะกลีนออกเช็ดออกก็แล้วแต่แหละ สมัยตัววันนี่ยเขาฉลาดเขาหงข้าวเขาไม่ต้องเทออกปิ้นออกหละกะเกณพอดีซุปพอดีบานพอดีกะไม่แม่นไปแฉกกะไม่แกะกะไม่เก่งกด็ดิบ <c oughs> อถ้าใส่มากๆแล้วก็เทออกปิ้นออกน้ําข้าวเทน้ําข้าวออกปิ้นน้าข้าวออกเออย่างนั้นก็กะคอยอย่างชั่วกะได้พอประมาณดี อาศัยหม้อหนุนน้ำเอาไว้อาศัยน้ำท่วมข้าวเม็ดข้าวเม็ดข้าวสารเนี่ยและอาศัยอะไรอาศัยไฟหนุนหนุนหม้ออีกทีหนึ่งอาศัยไฟหนุนหม้ออาศัยฟืนหนุนไฟนะฟืนมันก็ต้องกินไฟใช่ไหมไฟมีความร้อน ปืนไฟกินฟืนแล้วมันไปหล่ น, ลนก้นหม้อก้นหม้อก็รองน้ําเอาไว้น้ําอยู่ภายในหม้อพลอยเดือดเดือดมันก็เลยร้อน ท, ที่จะเรียกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนนี่แหละคือเดือดร้อนอมันร้อนมันถึงเดือดเดือดเดือเอดเข้ากัเลยสุกสุกก็เลยเริ่มสุกเริ่มสุกเริ่มบานะเริ่มได้ที่ นี่คือมันรองกันโดยดำๆมาเลยเห็นไหมไฟรองหม้อหม้อรองน้ําน้ําทําให้อาหารเหล่านั้นสกนี่ศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนปัญญายานหนุนวิมุตติหนุนความหลุดหนุนความพ้นอหนุนความหลุดหนุนความพ้น หนุนกันโดยลำดับอย่างนี้แหละเราพิจารณามาอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจทำให้เกิดมโนภาพอ๋อสินมีความสำคัญแต่เวลาทำงานจริงๆนั้นนะ่ะที่จะได้ผลจริงๆที่จะตัดกระแสของตัญหาได้จริงๆจะต้องอาศัยพลังของปัญญาสติสมาธิ สามารถยับยั้งกระแสของกิเลสได้กระแสของตัณหาสามารถยับยั้งให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันคงที่แต่มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายพระฉะนะผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานผู้มีฌานถ้าหากขาการพิจารณาให้เกิดปัญญากิเลสไม่เกิดแต่กิเลสไม่ตายท่านว่าเหมือนกับหินทับหญ้า เวลาหินก้อนห็นไปทับหญ้าตรงไหนก้อนห็นมันทับหญ้ามันก็แทรกขึ้นไม่ได้มันมแทรกขึ้นไม่ได้พอเราไปยกออกก็ เ, เหมือนกับไม่มีหญ้ามันคืนล่วงไปสักหน่อยหนึ่งด้วยเหตุที่มันมีหน่อ ย, อย้ยงล่างมันก็แทงขึ้นมาอีกแทงขึ้นมาอีกแต่การใช้ปัญญาเหมือนกับเราต้องขุดต้องคุยเอาหัวหัวหญ้าออกเอารากออกเอาเง่าออกอืมสติสมาธิ ยับยังกระแสยับยังกระแสชะลอกระแสแต่กระแสเหล่านั้นสามารถตัดขาดได้ตัดให้ขาดได้ด้วยปยัญญาเรามาดูว่ามันเหนียวแน่นอยู่ด้วยอะไรเพราะอะไรกระแสรเรา น, นมันอยู่มันเหนียวแน่นด้วยอะไรเพราะอะไรความไม่รู้ความหลงของเรานี่แหละนั่นคือแรงความเหนียวของมัน เราไปศึกษาไปพลิกไปไปรือ้อไปฟื้นไปขุดไปคุยไปค้นเพื่อจะรู้ข้อเท็จจริงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นอะไรข้างนอกข้างในเป็นไงพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปภายในใจของเราก็เช่นเดียวกันตัณหามันมาแทะหัวใจมันมาด้วยเหตุใดมันเกิดด้วยเหตุใดมันเกิดด้วยเหตุใดเพราะฉะนั้นกุบาอาจารย์ท่านจึงให้พิจรารณาพิจรารณารูป พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นเป็นผลนะร่างกายเป็นตัวผลที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุที่ทำให้เกิดผลคือร่างกายตัวนี้ก็คืออวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานศพลงก็คืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดตันหาเป็นเหตุให้เกิดอุ ป, ปาทาน วิชาคือความงง ค, ความไม่รู้รู้อยู่แต่รู้ไม่รอบรู้ไม่รู้ไม่จริงรู้อยู่แต่รู้ไม่จริงจิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นคือธาตรู้จิตของเราแต่ละดวงแต่ละดวงคือธาตรู้แต่เป็นธาตรู้ไม่บริสุทธิ์มีสิ่งเศร้ามองปนเปื้อนมาด้วยเป็นธรรมชาติที่ขัดเกลามาไม่บริสุทธิ์พวกเราจรึงต้องมีที่เกิด ต้องมีพบต้องมีชาติแล้วก็ต้องมีการไปเกิดเหมือนอย่างชาตินี้พวกเรามีบุญพอมีมนุษยธรรมพอเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไอพวกสัตว์ที่เขามีมนุษยธรรมไม่พอเขาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นหนูเป็นกระรอกเป็นกระแตเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรที่เราเห็นเป็นสุนหักเงี้ยเป็นหมาเป็นงูเป็นอะไรสารพั์แล้วแต่มันจะเป็นคือคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นมนุษย์ เราะฉนะนั้าใครมีคุณสมบัติพอมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นสักเท่าไหรมนุษย์เป็นมนุษย์ชันนนน้นดีขึ้นมาหน่อยเป็นมนุษย์ชั้นผู้ ด, ดีมีปัญญาเป็นมนุษย์ชั้นปักฉริยะมนุษย์นี่มนุษย์ก็มีหลายประเภทเองกันเพราะคุณสมบัติแตกต่างกันเหมือ น, นเราเรียนผ่านแต่และชั้นแต่และชั้นคะแนนไม่เท่ากันนั่นแหละคุณสมบัติที่สั่งสมอบรมมาไม่เท่ากัน ถ้าเราไม่มีเคียรเตืตัณหาเราจะไม่เกิดนี่เรามาพูดถึงว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีชีวิตนั่งอยู่ลำ เ, เพลินเพียงอยู่ท่านจึงให้มาพิจารณาผลอันนี้แหละสาปหาเหตุด้วยเราติบตันในเหตุนี่เองเราไม่เคยย้อนไปดูหน้าดูตาของเหตุเราก็มาหาหยิบยก มาพิจารณาปัญหามาแก้ไขแต่เรื่องของผลเหล่านี้แหละหาอยู่หากินป้อนแต่เรื่องของผลอยู่แน่นแมาดูเราทุกทุกยักทุกวันก็อะไรหาอยู่หากินหาอยู่หามาเพื่อให้ได้อยู่ให้ได้ใช้ให้ได้สอยให้ได้กินก็นคือเข้าปาก <muscles> เพื่ออะไรเพื่อชีวิต synthetic. เรามีอยู่ได้แค่รักษาชีวิตที่ได้มาแล้วเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราไม่ศึกษาวิชาศิลธรรมวิชาธรรมะของพระเจ้า พุทธิย้อนเข้าไปดูถึงสาเหตุต้นต่อคือตัวตัวเหตุไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านการทำงานพุทธิจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนกับว่าไปลบไปล้างความมืดบอดหรือความเหนียวแน่นมั่นคงของของอำนาจของตัณหาเหล่านั้นเราต้องพิจารณาให้เห็น นี่คือความหลงความโง่ความหลงควิชาความโง่ความหลงท่านจึงให้ศึกษาพิจารณาย้อนไปใช้ผู้รู้นี่แหละย้อนไปดูใช้ผู้รู้ย้อนไปพิจรารณาเห็นกิริยาการของรูปบ้างเห็นกิริยาการของนามบ้างไอ้รูปกับนามเนี่ยมันก็ทํ า, างานสัมพันธ์กันตลอดทุกระยะทุกเวลาแทบไม่หยไม่ว่างไม่เว้นแต่และกิริยาการของจิตมันแทบไม่เว้นไม่ว่างไม่เว้นกัน พระรูปกนามมันเป็นของกันละไกันร่างกายเป็นผลมาจากเหตุคือตัณหาที่มีอยู่ภายในใจตัณหาไม่ได้มีอยู่ที่กายนะมีอยู่ที่ใจแต่มันมีมันมีสื่อสัมพันธ์มาถึงกายนะตัณหาเราตัณหาที่มีอยู่ในใจนั่นแหละมันมีสื่อสัมพันธ์มาถึงกายเป็นเหตุให้มนุษย์เราเนี่ย ใช้กายมาสร้างรวงรังสร้างกระแสสืงพันธ์เจริญพันธ์เห็นไหนว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธต้นไม้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันที่มันส่งผลเป็นลูกเป็นหลานเป็นหน่อเป็นเนื้อเป็นแขนงเป็นอะไรต่ออะไรต่อไป ตราบใดที่เรายังวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักตัดสาเหตุต้นตอของตัาหาอาสวะทั้งหลายทั้งปวงพบชาติของเราก็มีอยู่อย่างนี้แหละแต่อาศัยการวนขึ้นวนลงเวียนขึ้นเวียนลงเวียนไปเวียนมาจิตทําดีบ้างทําให้ดีบ้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์อเกิดเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามีความสามารถแต่อดทนต่อโทสะโมหะไม่ได้เกิดฆ่าคนตายอ้าว หรือพระพุทชั่วร้ายผิดศีลผิดธรรมหนืองๆนีน่ได้อัตภาพใหม่หรือคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ไม่พอแล้วตกกระปองแล้วเนี่ยตกนรกเอเวจีอา่าเป็นสเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมันไปจากมนุษย์นี่แหละไปจากมนุษย์สับเปลี่ยนกันไปเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ฉลาดในอวัยในวิธีการเกิดของเราแต่บรรดาสัตว์เหล่านั้น ไม่มีโอกาสที่จะหลุดที่จะรอดรอดไปได้เพราะเป็นอาภัพสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่ควรไม่ควรที่จะได้มรด้ผลได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแต่มนุษย์เป็นภพชาติกลางกลางที่สามารถพัฒนาให้ดีที่สุดพัฒนาให้เลวที่สุดก็ได้พัฒนาให้ลงที่สุดถึงขั้นอเวจีมหานรกก็ได้พัฒนาถึงที่สุดนุ่นพรหมโลกมรรคผลนิพพานก็ได้จิตใจของมนุษย์ แล้วชาวปัญญาไหวพริบของมนุษย์นี่มีความสามารถพอมีความสามารถพอที่จะพัฒนาตัวเองไปได้เรามาคิดถึ ง, เ ร, งเรื่องเหล่านี้แล้วพวกเราไม่เสียเปรียบใครตั้งต้นได้ก่อนใครตั้งต้นได้หลังขามาก่อนก็คือเกิดมาดีตั้งต้นที่หลัง จะมาเริ่มพบเห็นใหม่แล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่บางคนก็มาต้องตั้งต้นได้ตั้งแต่ปฐมวัยบางคนก็ตั้งต้นได้ตั้งตนได้ตอนกลางกลา ง, ลางวัยบางคนก็ตอนปัจฉิมวัยถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงได้เรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสายสําหรับหัวใจของใครเคยทําชั่วร้ายเลวเละเทะสารพัด กลับตั้งเนื้อตั้งตัวได้ยกตัวอย่างบ่อยๆเหมือนพระโมคคัลลานะฆ่าแม่นี่แหละโอ้รู้ว่าเราทำผิดไปแล้วกลับเนื้อกลับตัวใหม่เห็นไหมสร้างบารมีเป็นอาฆาสาวกดวงชายเห็นไหมถึงกระนั้นก็ตามกรรมเก่ามังยังตามให้ผลอยู่เพราะอะไรเพราะมันสนองไม่หมดเกิดมาชาติไหนก็ถูกเขาฆ่าตายเกิดมาชาติไหนก็ถูกเขาฆ่าตายเชื้อมันมากับรูปธรรมนั่นแหละรูปธรรมกับนามธรรมก็เกาะกันใหม่มันให้ผลยังไม่หมด แม้แต่ชาติสุดท้ายเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์มีเดช ด, ดำดินปินบนสารพัดได้รู้หมดอะไรหมดรู้จิตรู้อะไรรู้สารพัดหมดแต่หนีกรรมไม่ได้หนีกรรมไม่รอดหนีกรรมไม่พน้นไหมสิ่งที่หนีได้อย่างอื่นหนีได้หมดแต่หนีกรรมตัวเองหนีไม่พน้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ห น, นีไม่พน้นจะไปอยู่กลางมหาสมุทรจะอยู่ขึ้นบนเวหา จะไปโลกไหนทวีปไหนนีไม่พ้นนีไม่หมดเพราะไอ้ตัวที่กรรมมันจะตามเอาก็คือกายนี้จิตนี้กายนี้กับจิตนี้จิตนี้ไปอยู่ที่ไหนมันก็เอากายนี้ไปจิตนี้จะหนีไปอยู่ที่ไหนกายนี้ก็ไปด้วยมันก็ตามไปเอากายเพราะกายกับจิตมันห่อเยี่ยวกันไปมันเป็นสมบัติของกันและกันกายเป็นสมบัติของจิตอ่า จิตไม่บริสุทธิ์มีกิเลสนี่แหละเป็นเหตุให้ได้กายแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วหมดอุปาทานหมดยึดหมดถือหมดพบหมดชกักหมดกําเนิดที่จะไปก่อเกิดกําเนิดนั้นกำเนิดนี้พบนั้นพบนี้หมดแล้ ว, <ม>ลวเกิดไม่ได้แล้วไม่มีที่จะไปเกิดเพราะมันโร่หมดแล้วแหละไม่มีความหลงไม่มีความเพลินไปกับสิ่งใดเรื่องใดแม้สิ่งหนึ่งเดียว สวางจ้ารอดด้วยสติด้วยปัญญาตัวเองปล่อยปละละวางไปหมดเข้าใจรู้รู้ทั่วถึงหมดปล่อยหมดวางหมดรูปเป็นรูปนามเป็นนามผู้รู้ดวงนั้นเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นีพวกเราพยายามพัฒนาพยายามจะพัฒนาไปให้ถึงตรงนั้นถึงผู้รู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นสมาธิก็คือทําให้จิตสงบดังที่เราพูดขึ้นมาแล้ว เริ่มแรกก็ให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่หากมีความละเอียดลึกเข้าไปด้วยลึกเข้าไปเรืยลึกเข้าไปเรืเเยจนถึงขั้นขั้นทิ้งพุทโธแต่ก็จิตโโรไม่ไปไหนอิ่มอิบอยู่กับความสุขถึงขั้นโโรเฉยอยู่กับอารมณ์เดียวหมดกิริยาแห่งความสุขเฉย จว่างโรคนี่คือความสงบเป็นการเป็นคราวยิ้มตัวแล้วก็ออกมาไม่ใช่ยิ้มอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนยิ้มตัวแล้วก็ออกมาอยู่ในขั้นที่ว่าทํางานทําการได้แล้วก็พิจารณาพอถึงขั้นนี้แล้วหมายความว่าเราสามารถใช้จิตตรงนี้ได้ใช้จิตตรงนี้เป็นจิตตรงนี้มีคุณสมบัติมีฌานมีความสงบ มีสมาธิสงบบ่อยครั้งเข้ามีสมาธิเป็นสมาธิคำว่าเป็นสมาธิมีสมาธิหมายความว่าเป็นจิตที่พร้อมที่จะทํางานจะมาพิจารณาในแง่อันนี้จังทุกการนัตตาจะยกอะไรมาพิจารณามันไม่มีอย่างถึงมาแทรกมันมีงานอย่างเดียวมีงานเรื่องเดียวแต่ถ้าคิตไม่มีความสงบเย่างพอยกอะไรขึ้นมาก็หลุดมือไปยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หลุดมือไปยกอันนี้ขึ้นมาแล้วก็หลุดมือไป ตั้งภาพนิมิตอันนี้ขึ้นมาก็ละลายไปตั้งภาพนิมิตอันนั้นขึ้นมาละลายไปเพราะมันไม่มีกำลั ง, บ, งบังคับไม่มีองค์ฌานกากับไม่มีความสงบไม่มีความนิ่งพอ่อกุบายานท่านจึงเน้นให้ทำความสงบแต่ในความสงบสงบอย่างเดียวมันก็มีพลังมีรสชาติมีองคาของธรรม เราลองทําให้ได้รับความสงบของเรามันแช่ชื่นมันเบิกบานมันเบาใบาโปรมันรุ่งร้าในตัวของมันปัญญาพื้นพื้นมันก็เริ่มมีปัญญาพื้นพื้นทำให้เรารู้เข้าใจจับได้ว่าจิตของเราในเปล่เาเปล่าไม่เหมือนเมื่อก่อนรู้ได้ว่ามันฉลาดนึกอะไรคิดอะไรพอฉันนึกออกคิดออกเข้าใจออกง่ายอะไรง่ายอืม มันเกิดขึ้นมาจากจิตของเรามีพื้นมีฐานสัจธรรมพื้นๆสัจธรรมหยาบๆจะเห็นได้ง่ายเวลาเป็นคนหาสัจธรรมส่วนละเอียดก็จะเริ่มละเอียดเข้าไปสัจธรรมขั้นกลาง ๆ, ๆสัจธรรมขั้นละเอียดขั้นละเอียดสุดมันก็จะประคับประคองกันไปประคับประคองกันไปจนถึงที่สุดสามารถถึงที่สุดได้ในวิธีดับทุกข์ที่พระพุทาธเจ้าท่านสอน ดับทุกข์ดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับภพดับชาติถ้าเป็นผู้ติชนเราก็ได้ยินคําว่าไม่เกิดโอ้ไม่เอาแล้วได้ยินคําว่าไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดมันคืออะไรนะไม่เกิดมันคืออะไรมันตรงกันข้ามพระพุทธเจ้ากับพระสงสาวกท่านบอกว่าความเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดที่ไหนก็คือกองทุกข์เกิดเกิดเป็น เทวบุตรเทวดาก็คือกองทุกเกิดเกิดเป็นพระพรหมก็คือกองทุกเกิดเกิดเป็นมนุษย์ลูกชาวนาลูกตาสีตาสาก็คือกองทุกเกิดเกิดเป็นลูกคนสูงสัตว์เศรษฐีมหาเศรษฐีก็คือกองทุกเกิดไม่ทุกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างหนึ่งไม่ทุกอย่างหนึ่งก็คือทุกอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งที่มีอยู่ทุกสังขารก็คือทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกวิโยทุกวัฏพระ หรือทุกสามัญลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตามีประจำอยู่เพราะแต่ละคนแต่ละคนนั้นเป็นกองสังขารแต่ละกองแต่ละกองไม่มีกองสังขารใดยอยู่คงที่เราดูเถอะไม่มีสังขารอยู่คงที่สักคนเหมือนพวกเราตั้งแต่เกิดในทอ้องแม่มาจนเดี๋ยวนี้เคยอยู่คงที่ไ้ยไม่คงที่หรอกไม่เท่าเดิม ใหญ่มาเรื่อยใหมาเรื่อยใหมาเรื่อยใยญ่ใหญเต็มที่ก็เริ่มงอมแกงอมไปเลยงอมไปเลยงอมไปเลยงอมไปเลยไม่มีอะไรคงที่เหตุปเหตุปัจจัยมันก็ไม่คงที่รูปละมันก็ไม่คงที่เหตุปัจจัยมันก็ไม่คงที่โดยเหตุปัจจัยไม่คงที่นั่นแหละเหตุปัจจัยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละอ่าที่มาเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นรูปให้เราเห็นมันจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้มองให้ทะลุผุโปร่ปปงไปหมดก็คือเส้นสายการทํางานของหนักธรรมชาติอันนี้เวลามาก่อกลุ่มกันแล้วก็ทํางานไปตามกระแสของเขาแต่ความชอบใจของเรามักจะไปกระไปเกลี่เปลี่นไปตามใจหวังกะเกณฑ่กับสิ่งใดหวังกับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นหวังกับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นหวังกับสิ่งใดก็ทุกข์กับสิ่งนั้นมันถึงใจลองย้อนไปให้ดู ย้อนไปให้ดูว่าเห็นเราหวังกับสิ่งใดเราทุกข์กับสิ่งนั้นเราหวังพ้นทุกข์เราทุกข์อยู่กับการแสวงหาความพ้นทุกข์แต่มันมีสุขเป็นวิบากงมันมีสุขเป็นวิบากอันนี้มันชอบโดยท ร, ร ม, มันเป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกลียดแล้วมีทุกข์เป็นวิบากด้วยมีทุกข์ในปัจจุบันด้วย พวกเราพอสู้พออดพอทนเรามีทุกเป็นวิบากในขณะที่เราทํางานแต่เรามีสุขเรามีทุกขในขณะ ท, ที่ทําแต่เรามีสุขเป็นวิบากคําว่าวิบากก็คือผลของคุณาวความดีขอผลของบุญของกุศลเพิ่มพูนทวีคูณในหัว ใ, ใจเกิดความรู้สึกกระยิมยิ้มย่องมีความเบาสบายปลอดโปรโ่งไมโอกาสต่อไป ข ว, วังว่าเราจะได้มีความสุขอยังงั้นยังงั้นยังงั้นเมื่อเหตุที่เราประกอบเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นผู้เราจรึงอุตสาตะเกิรตกายกันเอาและพอสมควรแก่เวลาแล้ววันนี้อืมเอา